มาเหตุทิ้งท้ายจากผู้บันทึกเสียงหากมีโอกาสมีเวลาควรฟังซ้ำอีกครั้งและขอแนะนำให้ฟังเสียงอ่านชุดพุทธธรรมให้ครบทุกบทให้ได้สักครั้งในชีวิตจะทำให้ท่านมีพื้นฐานในการฟังธรรมโดยเฉพาะหลักสำคัญและคำศัพท์ได้เข้าใจถูกต้องตรงทางและดียิ่งขึ้นสำหรับการศึกษาธรรมนั้นศัพท์คาเดียวกันอาจมีความหมายต่างกันไปเช่นคาว่าสังขาร บางแห่งหมายถึงความคิดความรุงแต่งทางจิตบางแห่งหมายถึงร่างกายบางแห่งหมายถึงขันห้าทั้งหมดคำหลายคำมีความหมายต่างจากที่ใช้ในภาษาไทยเช่นอารมณ์ทางธรรมะหมายถึงเรื่องยึดหน่วงของจิตสิ่งที่จิตยึดหน่วงสิ่งที่ถูกรู้หรือถูกรับรู้ได้แก่อายตนะภายนอกหกคือรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะ คือสิ่งทุกต้องสัมผัสกายและธรรมอารมณ์อารมณ์ทางใจสิ่งที่ใจเนื้อคิดยกตัวอย่างคือรูปอารมณ์อารมณ์คือรูปยังมีอีกหลายคำที่ถูกนำไปใช้ในภาษาไทยและความหมายเปลี่ยนไปคนละอย่างอย่างคำว่ากามก็ไม่ได้หมายถึงเรื่องทางเพศอย่างเดียวแต่รวมทั้งหมดที่เกี่ยวกับรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่น่าปรารถนาน่าพอใจ รวมไปถึงลาบยศคําสรรเสริญชื่อเสียงและโภคสมบัติแต่คนทั่วไปฟังเทศเรื่องกรรมก็จะคิดถึงแต่ในด้านการเมสุมิชาจารเป็นหลักเป็นต้นยังมีคําว่าเวทนาสัญญาอิจฉาสังเวทและอีกมากมายที่มีความหมายต่างออกไปจนยากที่คนไม่มีพื้นฐานจะเข้าใจตรงได้จริงดังนั้นจึงแนะนาว่าควรศึกษาพุทธธรรมสักครั้งเพื่อเข้าใจสิ่งพื้นฐานเหล่านี้ให้ตรงก่อน จะทำให้ท่านต่อยอดศึกษาธรรมได้ดีและตรงทางมากขึ้นนะครับ